พิธีกรรมพิธีการของเขาก็ผมมีอย่างเราง่ายๆเราเมื่อวันที่ยี่ิบสองตอนเย็นกมีการสวดมนต์สวดพระพรุตธะมงคลแล้วพูดที่จะสวดอิติปิโสต่ออีกก็ได้หลวงพ่อสวดแล้วหลวงพ่อจะกลับลกลับเขามาพักสวนหลวงพ่อ ผูนัหลาววะเป็นวสีสวดอิติพิโสตออกกุจแทแต่สวดชมโพดพระพุทธปฏิมายามือซอกกับทําบุญตักบาทจากนัก้นก็ถวายจตุปัจจยทายธรรมอุทิศ่วนกุศลก่อนที่จะถวายพระทหารกับมีการกาวข้ามถวายถวายพระพุทธรูปถวายเสนาสนะ แล้วก็อุทิศโวนกุศลให้ญาติพี่น้องลูกหลานญาติโกโหติกาปุญญาตาย่ายของพวกเข้าที่มาสางวัดแล้วก็พร้อมกันก็ถวายเสนาธนะถวายสาราถวายที่เขาสางขึ้นมาแล้วพระพุทธปฏิมาจากนั้นทประสงก็จัดอาหารเรียบร้อยกัดระสงค์อนุโมทนา ในพ่อนผัวเข้ากับรับท่านอาหารตามอัตธยาศัยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาอีกวับนบรรจุพระบ่อนรมสารลิขิตาฏปนผัเสียนนเสียนพระประทานประสงค์กัสวดพวกเข้าก็รวมกันสวดอิทิปิโสเก้าจบแล้วกัสวดเสยัโต ประพรมนาวพระพุทธมลก็เป็นเซตพิธีในเมื่อบันทึกยี่สิบสามเป็นยังยังสวดอิติปิโสเก้าจบมัคสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นเก้าการเดินมัคสีแล้วก็ผลสีนิพพานหนึ่งสวดอิติปิโสเก้าจบตอนที่บรรจุพระพ ร, ะรมสารีเดชธาตุ บนเสียงพระประธานจากนั้นก็ปบพรมน้ำพระพุทธมนต์ก็เป็นอันเสร็จพิธีเมื่อวันที่2ี2สก็จบละคงจะวบามียัางงานก็เงากุประดะดีกาดีกาเชิญเชิญมีแต่บอกกาวกันแต่ว่างานวัดเท่าก็ให้ฟังไว้รถว่างานไ่เคย่เคยมีงานหน่อย ที่เขาจัดขึ้นมากู่คนทั้งหลายกำลังไหลามากพราะนั้นพวกเขาเตรียมเตี่ยมพอไหมนะหลูกหล้านซอยๆกันเบิง่งเป็นหูเป็นตาลูกหล้านชาวบ้นานมันลอยๆกันงานบัดว่าสาสนามเป็นงานสาธารณะประโยชน์เป็นงานคนหลายหมู่บ้านหลายตำบลหลายจังหวัดมาเบิง่งวัดของเฮาซอยๆกันเบิง่ง เมื่อนี่เป็นวันที่สิบมีหน้าคมพุทธศักราชสองพห้ารยห้าสิบเจ็ดเมื่อเนี่หลวงพอมีนัดที่จะไปดูวัดใหม่อำเภอเพนวัดของหลานนายสาเป็นถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ไปเบิ่งละละข้างนึงรอบนึงทีทางวัดสามสิบหาไรก็คิดว่า น่าจะเป็นวัดได้แต่จะให้คือวัดเท่าของคงบกคือเป็นวัดในเมืองเป็นวัดประมาณวัดในเมืองน่ะวัดในชั่นนบรสฐานที่ก็รู้สึกว่ากระเมาอยู่หรอกหน้ามีสมบูรณ์มีสระน้ามไม่ยังกับมีเจตนาดีของเพิินเพลินว่าสมัยเพิินว่าท่านมี่ยังในใจของเพลินอยากจะสร้างวัด ปล้เพื่นก็เลยซื้อที่ดินไว้เอาที่ดินเขาธนาคารกระ จ, จายเงินแล้วก็เพิ่นพึ่งใจเงินแล้วข้าวเนี่ยเราเอาที่ดินออกมาเป็นโฉนดหลวงพ่อไปเบิ่งแล้วก็เออน่าจะเป็นวัดว่าศาสนาใดห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณถึงยี่สิบกิโลมังจากเมืองเมืองอุดรไม่เนี่จะพาพระไปเบิง่ง แล้วก็คงจะปรับภูมิทัศน์แล้วก็คงจะจัดสถานที่บ่งได้จะเป็นซาลากุติที่พักโล่งขั่วหลวงพอ่อคงจะไปว่างๆแผนแล้วมั้งนะพอว่างแผนแล้วก็คงจะถมดินกลบดินถมดินจากนั้นก็คงจะเริ่มกอสาง ผมพูดที่จะกอ่อสร้างเพิ่นก็เตรียมเตรียมพอมมาโยอันนี้ก็คือขยายวัดว่าศาสนามีแต่วัดเท่าอย่างเดียวก็จังใดอยู่มันโไรด้วมันต้องขยายพวะประชากรมันมากวัดมันก็หน่อยตาว่าพวกเข้าบอกรุ่นแหลกรุ่นเก่าบอกรยายวัด ก็จำกัดเกินไปต่อไปไพ่ภาคนาเองยังจะเกิดขึ้นเฮ้าขบงหูขึ้นกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่เฮ้าอยู่ก็เฮ้าพยายามต้องเบงบานเต็มที่ขึ้กันดูแลวัดว่าศาสนาตัวไหนสิจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับศิลรับท่านท่ากว่างขวางแต่ว่าถึ้งยังไรก็ตามเหลืองวัดาาว่าศาสนาทวานี่ก่อน มันก็ไม่ใช่ของง่ายขึ้นกันเรื่องวัดถ้าจะวาไปแล้วก็เคดกลาบว่าจำขึ้นกันแต่ว่าจะวาไปแล้วนะเรื่องวัดว่าศาสนาเนี่ยพอว่าพู้ที่จะไปยูเนี่ยก็มันต้องคิดดีขึ้นกันพู้ที่จะไปเป็นหัวหนา้าหัวหน้าวัดจะโมเป็นธรรมดาขึ้นกันแต่ว่าถึงะอยางไรก็ตาม แต่แรกมันก็ต้องทดลองพิษทดล่องถูกไปก่อนจะให้ดีที่เดียวเป็นไปบ่ได้เรื่องวัดว่าศาสนาเนี่ยเท่าก็ต้องหู้จากว่ามันโมแมนของเท่าอย่าไปขึ้นว่าเป็นของเท่าร้อยเปอร์เซ็นย่าไปขึ้นว่าเป็นของผู้อื่นร้อยเปอร์เซ็นใครข้าวว่าพึงผ้าอาศัยกันมีการยืดจุนการอยู่วัดว่าศาสนาในยืดจุนมอง สูงม่องตาำม่องสายม่องขวาม่องรอบสิงรอบด่านการบริหารจัดการคารเ่าเข่งจัดปัดพย่อมฟั่งไผกับอ่อใดขึ้นกันย่านเต่งเลงจนบมมีขอบมีเขตกับบอ่อดขึ้นกันเพราะนั้นสิ่งเรานี่มันต้องผูกเป็นหัวหนา้าต้องคิดขึ้นกันคิดอย่างมาก บางครั้งกับผิดพลาดไปก็เป็นบทเรียนผิด euh, พลาดไปทางใดแต่ถืงอย่างไรก็ตามอยากให้มันเสียหายมากให้มองรักธรรมวินัยเป็นหลักรักธรรมวินัยนี่ถิงบ่อใดห่างบา่อใดต้องเป็นกระจกเงาอยู่เสมอหลักธรรมวินัยยั่งแล้วยังบ่แล้ว ย, ยังแบบฉบับคู่บ่ายจานผ้าดับเนินอกีก พ่อแม่กูบายจานผ้าดับเนินมากจางังไดแล้วก็ต้องเบิ่งอีกอแต่ว่าพ่อแม่กูบายจานผ้าดับเนินเนี่ยต้องเบิ่งอีกคือกันสมัยเมื่อเพิ่นเป็นห น, นุ่มเป็นหน่อยเพิ่นว่างตัวจังใดในเมื่อเพิ่นเถ่าแก่ชะล่ามากเพิ่นปล่อยว่างแล้วเฮ็ดจงดังไดแต่โดยมากสิ่งเรานี่มันผู้ที่เป็นลูกซีดลูกหาเนี่ยบ่ค่อยได้คิดกัน เป็นอย่างบวกระว่ า, าบกขิดกันคข่ไข่กับว่ะบางองค์กันไม่ยึดแนวปฏิปทา ต, ตอนที่เพิ่นว่างมือแล้วเพิ่นว่างมือแล้วเพิ่นปลอยว่างแล้วก็ไม่ยึดเอาตอนนี่บางองค์กัน่ะยึดเอาสมัยเมื่อเพิ่นยังเป็นพระหน่อยพระนมกําลังเข้มงวดขวดขันกับลูกศิษย์ลูกหาพระเน้นของเพิ่นอันนั้นก็เป็นแบบฉบับ ที่ดีแต่มามันยืดต่อตอนเถิดเพิินป้ายปลอยว่างแล้วเนเออมแต่ย่านเต็งเลงล่ะพราะว่เหตเพนไหนพวกเพลินว่างไหนเดะเพลินว่างเมื่อน่ะเพลินกี่ขานเว้าว่ะเพิินเศร้าว้าแล้วเซิงโมเน่พวกห่อเป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมันต้องเบิงบวกลบคู่นหารและก็ฟัง่งปฏิปทาของเพลินที่เพลินเว้าไวแต่สมัยเพลินเทศนาวาการแตสมัยเป็นเป็นพระน่อยพระนม สมัยเปิดบริหารจัดการเข้าถงเบิงจุดนั้นอย่ามาเบิงตอนทีง่ายโยมลังไหลเขาม้าแล้วจักมันยังตัวมันยังอจนเพลินปล่อยว่างแหละจนเพลินเบิงมิจะเบิงจซื้อนเะเพลินปากบอกออกแล้วนั่นๆเพล่นยังบอกออกทีหนึงปกครองทีหนึ่งบอกทีหนึงงน่ ง, งแสดงความเด็ดเดียวทีหนึงอันนี้เข้าในฐานะ สิทธิ์ญาณุสิทธิ์ทั้งหลายมันต้องเอาเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่มาบวกลบคูณหารกันอันนั้นคือผู้ใช้ความคิดใช้ปัญญาเอาตัวหลอดจากนั้นเขา้าเขาว่างตัวเข้าเอาแบบใดเข้าจิเดินหมากแบบใดในชีวิตเป็นการเป็นพระของเขานะแต่ทิ้งอย่างไนอย่างที่หลวงพอว่อบอกเมาื่อวานเมื่อก่อนนะ ให้มีสัจจะเนีได้จิตไดใจถึงจะอยู่ใ น, ใใในไสก็ตามคาไปเจ้าจะต้องเป็นเกลือรักษาความเข้มจะไปตกสถานที่ใด้าไปเจ้าจะรักษาความเข้มไวจะไปอยู่ดวงพระทิศพระจันทร์ดาวพระอังค่านดาวโลกพระจันทร์เกลือก็ยังรักษาความเข้มนี่คืออยู่ครับคู่บาดาจก็รักษาความเข้มออกไปอยู่ตามลําพัง ถึงจะมีมูมากก็รักษาความเข้มถึงจะบ่มีไผยอยู่ผู้เดียวก็รักษาความเข้มนี่แหละขั้นว่าผู้รักษาความเข้มไว้จังจันแลนละถึงอย่างไหก็อบอุน่นอบอุ่นทั้ง่านจิตใจแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเรื่องวัดว่าศาสนาเนี่ยเข้าตรงม่องหลบหลอดดานหลบหลอดขางเพรอวัดพังโมเมน์ของเข้าผู้เดียวบางคนกับไปยอยู่ก็ เอาต่ใจเจ้าของเห็นผู้อื่นมากกว่ว้างหูขว้างตาปัดเพราะว่าคือกันกำหนดโมแมนของเจ้าของก็ถือว่าเป็นของเจ้าของตามจิงมันโมแมนอีกซักมือหนึ่งทิมถิมมัดขนาดร่างกายของเขาก็ย่งถิมเอาเผาไฟถิมกระดูกเขาก็ทิมเพราะนั่นถ้าว่าเข้าคิดเบื้องให้ดีแล้ว เข้าก็จะต้องว่างตัวให้ถูกเราอยู่ในในมูมมนุษย์เข้าขั้วนจักกับมนุษย์นิสัยมนุษย์จังไดต้องว่างตัวให้ถูกเข้าอยู่ผู้พุทธศาสนาโมเมนพุทธศาสนาของผู้หนึ่งผู้เดียวเป็นพุทธศาสนาของทุกคนเพรานั่นพวกผูกใ้ใดจิไปอยู่วัดว่าศาสนา หลวงพ่อว่าจะต้องคิดให้ดีดูให้รอบคอบให้กว้างขวางให้เข้มงวดกวดขันมันยากเลยถ้าจะวาไปล่ะยากกว่าเป็นธรรมดาแต่เมื่อเขามาอยู่กับคู่บาตจานกับแบบนึงอีกเหมือนขังง่ายๆแต่ออกไปอยู่ตามลาพังจะรู้ได้เลยจะไดย้ยินเสียงต่างๆ เข่ามาเลยละ่ะแต่เสียงจะได้ก็ะตามเพราะเต้องพอร้อมเหมือนกับเข่ามาหรือสางลงไปสู่สนามหลบถึงสนามพร้อมที่จะถูกลูกศรมาในทิศทั้งซีพร้อมที่จะอดทอน อ, อกับลูกศรทั้งหลายที่มาถูกร่างกายขันเอาว่า บ่ทนต่อลูกศรนะบ่ได้เลยอ่เป็นหัวหนามูบ่ได้หัวหนามูเนี่สําคัญบพราว่าหัวหนามูะระดับใดก็ว่าเป็นหัวหนานะ้าต้องมีความยืดหยุ่นต้องมีความเอมีน้ำใจสรุปแล้วมีน้ำใจคนที่มีน้ำใจต่อกันนะั่นแหละ มันเปลี่ยนไปได้ทั้งหมดกันโคตรบ่มีน้าใจตอกัดบมจักแนะนำสั่งสอนบมจักแบ่งปัดบมจักดูแลมูพวกเปือนสะทุกุกสุขดิบมูทั้งหลายอยู่น้ำหยากทั้งหมดมีแต่ยังบถง่ถืกใจเจ้าของถืกใจเจ้าของบางครั้งใจเจ้าของย่อบ่ถืกใจเจ้าของ แล้ไปผู้อื่นถึกใจเจ้าของหมดทุกอย่างก็ ค, คงเปลี่ยนไปท่นบุได้แต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะถูกใจเจ้าของผูถูกใจเจ้าของก็ต้องเบิ้งหลักพระธรรมปีไน่แนวปฏิบปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผ้าหําเนิอหนึ่งทีหน้าลูกหลานน้องนุ้งทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายกานเ พ, เพชรเพชรแบบเนี่เข้ารับบุได้นะเขาอยู่บุได้เนี่ยเข้าตรงจัดการเนีเด็ดขาดเนี่ยเพราะว่ามันพิจตอ่อกฎระเบรียบ เมื่อมันพิษมากก็ชี้แจงให้ฟังเลยอ่ชี้แจงให้ฟังมันเป็นสิมันพิษแมนบอกนะมันมั่ถูกนะเหตุยังตง้องบอกตองก้าวต้องถามซะก่อนนะอย่าไปเหตุตามอั ธ, ธายใจตามความหูุ่ดซื้อโกงเจ้าของบะไรนะในเมื่ออยู่กับคู่บาอาจารย์ถ้ า, าว่าอยู่ตามลําพังของเจ้าของเออเห็ดจะได้ก็เหตุโดนเขินไปอยู่ตามลําพัง ผมมีปัญหาเห็นแก้พาอยู่ก็ได้กระโดโดโลดเต้นห้องอยู่ก็ได้ไปยังผมมีผู้เห็นอยู่ผู้เดียวกันอยู่สองคนงบนะ่ใดเลยเอ อ, เ อ, อพอ น, นี่เป็นบาตรมั่งหน่เคยเจว่านะอยู่หลงสองคนนะเออ่ยไอผู้อยู่ขางเข้าเคยเจว่าเข้าเป็นบาตนระ <c oughs> แต่ว่าอยู่หลายคนแห่งเต็กเลยต้องระมัดระวังอต้องระมัดระวังการอยู่นกันกหลายคนมันจะเอาตามอัธยาใจตามความคิดของเจ้าของใบดบ่ใดนะ เสียงเรานี่ยผกเข้าทั้งหลายการยูด้วยกันไม่ต้องคิดเขาเห่ากดระเบียบพอแม่กูบายจานผ้าดําเนินยังไง ห, หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเปินว่างไวจังไรกันว่าพวกเข้ า, เ ห, า เ, เหลียวซ้ายแลขวามองหน้ามองหลังมองสูงมองต่ํามองสิ่งรอบด้านอมองหมู่มพเพื่อน บริวารกันนาว่าห้อมมองอยังเจรนญเลยถึงจะผิษผาดก็บอผพิษผาดมากเ พ, าเพราะเห็นอะไรเพราะห้อมม่องเบ่งไว้แล้วนะกันนาว่าห้อมหม้อมองนี่แต่ใจเจ้าของในโดยมากแต่พิษเนี่ยจุดตรงขึ้นกันเลยอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกห้องทุกหูทุกคนนะรับพรอนุโมทนาให้พร